ทานเรื่องกระจกที่ขุ่นมัวเรื่องมีอยู่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะชอบไปเต้นแอโรบิกแต่เช้ามืดเลยแล้วก็ชอบไปเต้นอยู่ข้างบนบ้านข้างหน้าต่างแล้วก็มองออกไปเห็นเพื่อนบ้านกําลังซักผ้าอยู่และเอาผ้ามาตากบนราวตากผ้าพอเขาเห็นอย่างนั้น เขาก็รีบแต่งตัวลงมารับประทานอาหารกับสามีและรายงานให้สามีฟังว่าโอ้ยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเสื้อผ้าเขานะสกปกรกเหลือเกินไม่รู้เขาซักยังไงถึงได้สกปรกอย่างนี้สามีก็บอกว่าช่างเขาเถินนา เขาซักยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเราซักของเราให้สะอาดก็พอแล้วแต่ภรรยาก็ไม่ค่อยเชื่อฟังค่ะทุกเช้านะคะตื่นขึ้นมาก็ไปเต้นแอโรบิกอยู่ข้างๆหน้าต่างแอบดูเพื่อนบ้านกำลังซักผ้าแล้วก็มารายงานให้สามีฟังแบบเดิมอีกสามีก็ชักรำคาญวันหนึ่งค่ะภรรยาเนี่ย วิ่งลงมาจากข้างบนบ้านลงมารับประธานอาหารเช้ากับสามีแล้วก็รายงานว่าพี่วันนี้นะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เสื้อผ้าขาวสะอาดไปหมดเลยอยากรู้ว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนไปใช้ผงซักฟอกยี่ห้ออะไรเราจะได้เอาไปใช้บ้างอยากจะรู้เหลือเกินสามีก็หัวเราะค่ะแล้วก็บอกว่า นี่เธอฉันลำคาญเธอเหลือเกินเมื่อเช้าอ่ะฉันเลยตื่นก่อนเธอแล้วก็ไปเช็ดกระจกให้มันสะอาดก่อนหน้านั้นนะ่ะกระจกมันสกรปรกเธอมองออกไปก็เห็นแต่ความสกรปรกข้างนอกแต่วันนี้กระจกมันใสสะอาดเธอก็เลยเห็นแต่ความใสสะอาดข้างนอก ท่านผู้ฟังคะนี่ก็เป็นบทเรียนสำคัญนะคะเราต้องถามตัวเองว่าเราใช้อะไรในการรับรู้เราใช้จิตสำนึกใช้จิตใจถ้าจิตใจของเราสกปรกมันก็รับภาพที่สกปรกเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำจิตใจของเราให้สะอาดเราจะต้อง ซักฟอกจิตใจของเราแล้วเราจะเริ่มมีการรับรู้ที่ถูกต้องรับข้อมูลในทางที่ดีในทางที่เป็นประโยชน์ค่ะ